เรื่องเศรษฐีขายฐานกับนางกิสาโคตมีพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระชิตวันทรงป ร, รารบพระนางกิสาโคตมีเทรีได้ยินว่าทรัพย์สี่สิบโในเรือนเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวสถีได้กลายเป็นฐานทั้งหมดตั้งอยู่เศรษฐีเห็นดังนั้นเกิดความเศร้าโศกไม่กินอาหารนอนอยู่บนเตียงสหายผู้หนึ่ง แนะนำอุบายให้เอาเสือลำแผนปูกลางตลาดเอาฐานกองไว้ทำเป็นว่าจะขายถ้าหากว่ามีคนพูดว่าทำไมมานั่งขายเงินละทองถ้าเป็นหญิงสาวให้นำมาแต่งกับบุตรชายของท่านแล้วมอบทรัพย์สี่บโกดให้แกนางถ้าเป็นเด็กชายท่านพึงให้ธิดาผู้เจริญวัยแล้วแกเขาแล้วมอบทรัพย์แกเขาเศรษฐีทำตามอุบายของสหายแล้ว ครั้งนั้นหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งชื่อกิสาโคตมีเพราะเหตุที่นางมีสรีระบอบบางเป็นธิดาตระกูลเก่าแก่ไปยังตลาดเห็นเศรษฐีนั้นจึงกล่าวถามว่าชนื่นขายผ้าน้ำมันน้ำพึ้งและน้ำอ้อยทำไมท่านจึงนั่งขายเงินและทองเศรษฐีถามว่าเงินทองที่ไหนละ่ะนางโคตมีบอกว่าท่านนั่งจับเงินทองนั่นเองมิใช่รึเศรษฐีบอกว่า จงนำเงินทองนั้นมาก่อนนางกอบเต็มมือแล้ววางไว้ในมือของเศรษฐีนั้นฐานนั้นได้กลายเป็นเงินและทองทั้งนั้นเศรษฐีถามนางถึงเรือนว่าอยู่ที่ไหนเศรษฐีรู้ที่อยู่และทราบว่านางไม่มีสามีจึงเก็บทรัพย์นั้นนำนางมาเพื่อบุตรชายของตนให้รับทรัพสี่สิบโกดไว้ทรัพย์ทั้งหมดได้กลายเป็นเงินและทองดังเดิม ต่อมานางตั้งคันคลอดบุตรแล้วบุตรนั้นกระทากาละแล้วในเวลาเดินได้นางไม่เคยเห็นความตายอุ้มร่างบุตรผู้ตายแล้วด้วยเสยเอวถามถึงยาวรักษาบุตรเที่ยวถามไปดุดคนบ้าบัณฑิตคนหนึ่งแนะนำให้นางไปเฝ้าพระสาสดาพระสาสดาทรงทราบไปทูลถามพระองค์เถิดแล้วนางก็ไปทูลถามพระสาสดา พระองค์ทรงตรัสให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดในเรือนที่ไม่เคยมีคนตายมาให้พระองค์นางเที่ยวตระเวจหาจนทั่วพระนครกลางคิดว่าอกกรรมหนักแล้วหนอเราได้ทำความสำคัญว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตายก็ในบ้านทั้งสิ้นทั่วพระนครคนที่ตายเท่านั้นมีมากกว่าคนเป็นเมื่อนางคิดอยู่อย่างนั้นหัวใจที่อ่อนด้วยความรักบุตรได้ถึงความแข็งแล้ว นางทิ้งบุตรไว้ในป่าไปยังสำนักรัศาสดาทรงตรัสว่าความตายเป็นธรรมะยั่งยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลายด้วยว่ามัจจุราชุดฆราสัตว์ทั้งหมดผู้มีอัธยาศัยยังไม่เต็มเปี่ยม น, นั่นแหละลงในอบายดุดห่วงน้ำใหญ่ฉะนั้นแล้วทรงตรัสพระคถาว่ามริตยูย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์เลี้ยง ผู้มีใจซ่านไปในอารมณ์ต่างๆไปดุดพ่วงน้ำใหญ่พัด ช, ชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นในการจบเทสนานางกิสาโคตมีบรรลุโสดาปฏิพลทูลขอบรรพชาอุปสมบทแล้วได้ชื่อว่ากิสาโคตมีเทรีวันหนึ่งนางถึงวาระในพระอุโบสถ สัตว์แต่งทำความสะอาดสถานที่พระอุโบสถจุดประทีปแล้วนางนั่งตามประทีปเห็นเปลวประทีปลุกโลงขึ้นและหรีลงได้ถือเอาเป็นอารมณ์ว่าสัตว์เหล่านี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีปผู้ถึงนิพพานไม่ปรากฏอย่างนั้นพระสัสดานั่งประทับในคันทักุดีนั่นแหละทรงแผ่พระราชมี ไปดั่งนั่งตรงหน้านางแล้วตรัสว่าอย่างนั้นนั่นแหละถูกแล้วโคตมีสัตว์เหล่านั้นย่อมเกิดระดับเหมือนเปลวพระทีพถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียวของผู้เห็นนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานอย่างนั้นแล้วทรงตรัสพระคาาว่า ก็ผู้ใดไม่เห็นบทอันไม่ตายคือนิพพานพึงเป็นอยู่หนึ่งรปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นบทอันไม่ตายคือนิพพานนั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นในการจบเทศนานางกิสาโคตมีนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแหลดดารงอยู่ในพระอระหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายดังนี้แล